รู้ก่อนผู้สแสวงสันติอวรบทผู้ที่จะทํางานใหญ่นั้นจะ ต, ต้องมีผู้ช่วยที่ดีและผู้ช่วยที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเช่นเป็นผู้รู้ใจนายของตนสนองงานได้สมความต้องการทันต่อเวลาต่อเหตุการณ์ให้กําลังใจแกนายของตนในการที่ควรให้โดยเฉพาะในเวลาที่การงานสําเร็จลงด้วยดีปลอบประโลมใจเมื่อพลั้งพลาด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 พระอนนต์กราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุประมาณห้าร้อยนั้นมีพระสารีบุตรและพระโมฆลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจจตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พิสุเหล่านั้นปราศัยกับพิสุเจ้าถิน่นจัดเสนาสะนะมีเสียงดังดูก่อนอุน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพวกพิสุมาตามคำขอของเราพระอนุ์ทูลรับคา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 พวกเจ้าสักยะชาวเมืองเจตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงชื่นชมกับพิสุสง์เถิดขอจงรับสั่งกับพิสุสง์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสง์เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ในการก่อนเถิด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 ภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรปรวนไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงชื่นชมกับภิกษุสงเิดขอจงรับสั่งกับภิกษุสงขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงเหมือนที่พระองค์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงในการก่อนเถิดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรม ทราบพระพุทธดําริแห่งพระไทยของพระผู้มีพระภาคจึงหายตัวจากโพรมโลกมาปรากฏตรงพระพักของพระพุทธองค์แล้วประนุมอัญชลีกราบทูลวิงวอนให้พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับพระพิสุสง์โดยเปรียบด้วยเข้ากล้าอ่อนและเปรียบพระภิสุสง์ทั้งหลายด้วยลูกโคอ่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาได้เปรียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพอพระไทย ในคำวินบอลของเจ้าสักยะและเท้าสหัมบดีพรมที่สุสง์ทั้งหลายจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคากล่าวถามพระสารีบุตรว่ารู้ก่อนสารีบุตรเมื่อเราประนามพิสุสง์แล้วเธอมีความรู้สึกอย่างไรพระสารีบุตรกราบทูลว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงไม่โปรดความวุ่นวายมีความขวนขวายน้อย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 ให้ก้าวเดินหรือถอยกลับอย่างไรทรงสังขติบาตรและจีวร อ, อย่างไรกุลบุตรผู้บวชใหม่ก็รู้สึกรำคาญคับใจบอกคืนสิกขาสุกไปคำว่าภัยและคลื่นเป็นเช่นนี้ภัยเพราะจ ร, เระเข้เป็นไฉ ห, หมายถึงเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเพื่อนพรหมจันทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนให้คิ้วกินในสิ่งที่ควร ให้ฉันในสิ่งที่ควรและให้ฉันในเวลาที่ควรกุลบุตรที่ออกบวชนั้นก็คิดว่าเมื่อเป็นคฤือหั์ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้จึงบอกคืนสิกขาศึกไปเพราะมีความเห็นแก่ปากแก่ท้องไภเพราะน้ำบนเป็นไฉนหมายมถึงกามคุณทั้งห้าเมื่อกุลบุตรออกบวชก็ไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่รักษากาย ไม่รักษาวาจาไม่ดำรงสติเห็นขลือหาบดีหรือบุตรขลือหาบดีเป็นผู้อิ่มเอิบบำเรอด้วยกรามคุณทั้งห้าจึงมีความคิดกลับสู่เพศขลือหัดบอกลาสิกขาแล้วกล่าวภัยนี้ว่าเหมือนภายจากน้ำวนภัยเพราะปลาายเป็นไนหมายถึงมาตุขามหรือหญิงนั่นเองเมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชก็ไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคม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 ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักและสำเนียกว่าจากระวังตนให้พ้นภัยทั้งสีประการนี้พระดากล่าวโดยย่อภัยของพิสุสัมมณีมีสีประการคือเห็นแก่ปากแก่ท้องผนความอยากไม่ได้หนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ที่เกียรติทตามหนึ่งเพลิดเพลินทะยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหนึ่ง มีความกำหนัดรักไข่ในหญิงหนึ่งภายทั้งสี่ประการ น, นี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งคอยเบียดเบียนคุกคามย่ำยีภิกษุสามเณรอยู่เนืองนิด